องค์ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่มีชื่อว่าคังคาติริยะแปลว่าพระที่พำนักหรืออาศัยอยู่ลิมฝั่งแม่น้ํำคงคาหรือใกล้ฝั่งแม่น้ํำคงคาคําว่าติระเนี่ยมันแปลว่าฝั่งติระแปลว่าฝั่งอิยะก็คืออาศัยแล้วก็คงคาเป็นชื่อของแม่นม้ํา ก็จะใกล้ๆแค่ไหนก็หมายถึงไอ้ที่เหมาะสมก็แล้วกันคงไม่ได้ไปถึงก็อยู่ชายหาดใกล้น้ําอย่างายื่นเท้าไปถึงอย่างนั้นหรอกอยู่บริเวณใกล้ๆนะเหมือนอย่างบ้านนางวิสาอาบ้านนางสุชาดาหรือว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ใกล้ออฝั่งแม่น้นําเนรัญจลาเนรัญจลากิริย คนเป็นภาษาเรียนกันตรงนี้ก็คืออชื่อของท่านก็เลยกลายเป็นชื่อที่เรียกกันเป็นอย่างนี้ประวัติท่านวาอย่างไงคื อ, อท่านผู้นะี้เป็นบุตรค้าหาบดีบุตรขาหาบดีก็คือบุตรของคนที่เกิดในสกุลไม่ถึงจะเป็นรามลองจพรามแต่มีฐานะหน่อยเรียกหาบดีและเป็นชาวเมืองสาวัตถีองค์เมื่ อ, อกี้ก็สาวัตีเหมือนกัน อท่านพูดนี้นะมีพฤติกรรมในทางจเจริยธรรมซามเขา อ, อยู่ข้อหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างเป็นข้อที่เราเนี่ยจะเห็นใจเข้าใจคนในสังคมเดี๋ยวนี้อย่าไปเที่ยดร้านหน้าไว้ไคนผิดลูกผิดเมียเขาเนี่ยมันจะมาเจริญในธรรมได้ยังไงมันจะมาสอนวิปัสสนาได้ยังไงอย่างบางคนเอามาพูดถึงบางคนที่สอนแล้วก็รั้วมาประวัติเลยผมก็ถามว่านี่ เขามาทําตอนที่เข้ามาสอนหรือทํามักตั้งแต่ยังไม่เข้าวัดก็บอกยังไม่เข้าวัดเอาไม่เข้าวัดอย่าิดอะไรไปจากพระองค์สมัยก่อนนะแต่ว่าถ้ามาเข้าวัดแล้วมาสอนแล้วทํานี้ไม่ได้อย่างนี้ขัดขวางแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องเหมาะสมกับระยะเวลาก็ไม่ใช่เรื่องขัดขวางคืออะไรครับที่ท่านเป็นคนนันเป็นคนที่เจ้าชู้ในลักษณะเกินขอบเขตที่ภาษาในกะปีเช้คำว่า เป็นคนที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดอาฆาตมณียฐานะคนที่เรียนเรื่องสีหน้ามาแล้วฟังนกึกออกทันทีแต่นี่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องปรบลีหมายถึงคนที่มีความประพฤติล่วงเกินหญิงที่มีฐานะไม่ควรล่วงเกินหมายถึงอคนที่เป็นลูกเมียคนอื่นแล้วอเรื่องนี้น่ะก็ประหลาดอย่างว่าอบางคนเนี่ยพอรู้เขามีสามีแล้วเนี่ยลังเกียจนะ ให้สวยแค่ไหนก็รังเกียจขยักขะแยงที่จะไปไปคิดแม้แต่คิดในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าบางคนนี่ก็ประหลาดดีชอบแบบนี้สาวสาวบริสุทธิ์อะไรที่ไม่ชอบชอบไอ้ประเภทลูกเขาเนี่ยมันก็มันจะสั่งสมม่า ง, งมันก็บออทีบายกันได้ในในยุคนี้นะฮะมันเป็นความประทับใจที่ได้รับการสังสมมาทีนี้ว่า พระคังคาพระคงคาจิริยะยอันดีท่านเป็นคนเจ้าชู้แบบชอบผิดลูกผิดเมียคนื่นใครประเภทที่จะต้องมีการช่วงชิงมียกชอบแบบนี้แล้วก็ตัวเองก็มีลักษณะที่จะทำบาป ท, ทางนี้ได้ง่ายก็ไปเที่ยวทำเอาไว้ยุะอยู่ครับ <c oughs> ต่อมาเนี่ยกุศลบา ร, รมีมาสกิจเตือ มาสกิดสิสกิดเตือนคืออย่างรายท่านท่านเองเนี่ยอาจจะต่างกับไม่ได้ระบุนประวัติไม่ได้ระบุพราะไปเห็นคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ถูกลงโทษแล้วก็เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขึ้นรายนี้นไม่ใช่เพราะไปเห็นคนรู้สึกคนถูกลงโทษด้วยกรรมอย่างเดียวกันแล้วก็มันึกถึตัวเองลายใจคือไอ้คนบางคนเนี่ยทำความผิดถ้าไม่ ถูกลงโทษหรือไม่เห็นคนอื่นลงโทษแล้วไม่รู้หรอกว่านั่นคือความผิดจริงไหมจริงไม่เคยคิดว่านี่คือความผิดถ้าถูกลงโทษมาหลายจึงรู้อย่างผมเป็นตอนและอย่างคนรุ่นนี้หลายคนเ อ, อย่างที่ผมเคยเล่าสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยตั้งแต่ก่อนข้าวบอนหนึ่งผมชอบรังแกคนเพราว่าผมเลี้ยงดูได้รับการตามใจมาค่อนข้างเกินสมควรวันในบ้านเนี่ยผมแกรังแกได้หมดไม่มีใครกล้า ตาผมจะรักมากผมก็นึกว่าเอเราทำอย่างนั้นได้พอไปโรงเรียนเราก็ไปเที่ยวแกรังแกก็ด่าหมาตั้งแต่วันแรกให้วันแรกก็ไม่โดนลงโทษพอต่อมาเนี่ยครูแกชื่อว่าครูสว่างจำก็ได้ยังขอบคุณแกจนบัดนี้นะถ้าแกไม่ตีผมที่ตาตุ่มเนี่ยผมยังนึกไม่ออกไว้ที่ผมไปรังแกเนี่ยมันเป็นความไม่ดี ผมนึกว่าผมเนี่ยรังแกคนอื่นได้เขาเกิดมาผมรังแกเด็กคนอื่นนะพอโดนตีทีเดียวความจริงไม่เจ็บเท่าไหร่นะแต่ครูตีเนี่ยเขาสั่งสอนอะไรแต่ไรเขาก็พูดนะเราก็ได้คิดเออจริงครูครั้งนั้นครั้งเดียวเนี่ยครับนิสัยผมเปลี่ยนเลยไอ้นิสัยรังแกเนี่ยหายไปจนบัดนี้เพป็นแต่ลว่าสัตว์ในยังรังแกอยู่บ้างพวกปลาพวกอะไรนะไ น, นั้นมันรังแกแบบไม่ใช่รังแกเล่นนั้นมันอีเรื่อง นี่เป็นเรื่องที่เออทาไมมันออกไปง่ายๆก็ไม่รับนะพราะโดนออไอ้ตรงนี้นะความจริงบางคนเนี่ยแค่ชี้แจงเท่านั้นก็จ ะ, ะได้สํำนึกหรือบางคนเนี่ยไม่ต้องชี้แจงไอบ้บารมีบางอย่างเนี่ยมันได้จังหวะผุดขึ้นมาก็เกิดความคิดในลักษณะเปิดโลกใหม่ขึ้นมาก็ได้ความคิดว่าโอ้อันนี้ไม่ถูกด้วยไอ้ข้อสกิดอะไรเล็กๆน้อยๆธรรมดาด้วยนะ เหตุปัจจัยธรรมดาเนี่ยท่านเองท่านได้ความคิดจากเหตุปัจจัยธรรมดาเมื่อได้ความคิดแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจเราเราเทียบมือก็อย่างนี้ฮะว่าพระเจ้าเจ้ศัตรูเนี่ยลัลึกถึงบุญคุณพ่อแม่นะคนอื่ น, นสอนไปเถอะขอร้องไปเถอะอธิบายไปเถอะทำความดีไปเถอะรู้สึกัหมไม่รู้สึกแต่มารู้สึกเพราะถูกลูกสอนสอนให้ลูกมพูดไม่ได้ ยังไม่ได้เห็นหน้าลูก้วยซ้ำแต่ได้สา น, นึกแล้วว่าโอ้พ่อเรารักเราอย่างนี้นะฮะเกิดความคิดไปถึงพ่อร้องโหยงร้องไห้ลำตาไลา่นี่ก็เป็นเหตุการณ์สักกิจที่มันฉุบขึ้นมาโดยอารมณ์ภายนอกหรือความนึกคิดอะไรไปไนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอย่างที่เราปฏิบัติทำเนี่ยเราพยายามที่จะใช้ธรรมะในเป็นตัวเปิดความคิดคื อ, อ พูดกล่าววิชาให้จิตมันลืมตามองเห็นอะไรเราก็จะได้ความคิดที่เราคิดได้เองคนมีบา ร, รมีเมื่อเปิดได้ก็คิดได้คนไม่มีบา ร, รมีดันี้เราพืชความชั่วเปิดไม่ได้ก็คิดไม่ได้ช่วยดูปฏิแม้มาปฏิบัติทางโมกิกไม่ได้แม้มีนักเทศดีๆพยายามจะเทศชักแม่น้ําทั้งห้าทั้งสิบ ก็คิดไม่ได้พาไปดูให้เห็นตามตาก็คิดไม่ได้ถามว่ามีไหมคนอย่างนี้มีถ้าไมไหนก็มีนั่นคือคนที่ไม่มีบา ร, รมาีเป็นเม็ดพันอยู่ในหัวใจนี่นีนนะว่าท่านสำนึกได้เองเนี่ยเหมือนเข้าวัดได้เองเนี่ยต้องถือว่าเป็นพิเศษนะครับเมื่อท่านได้สำนึกอย่างนี้ก็ปรากฏว่าท่าน มีความคิดว่าเราจะทำอย่างไรหนอถึงจะไม่เป็นคนอย่างนี้ถึงจะพ้นไปจากไอ้ริงเหล่านี้ไอ้รอยบาดในใจเ่าเนี้ยก็คิดว่ามีทางเดียจะต้องบวชเออนี่สามารถที่จะให้คำตอบสเสนอทางแก้ไขที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ด้วยอ่าตรง น, นี้เราอ่านแล้วเราต้องย้อนมานึกมาดูคนรุ่นเราแล้วก็มาดูเราเราแค่ไหนก็แล้วแต่อาจจะไม่เท่ากันว่า บางคนตีค่าได้ด้วยรู้ว่าควรแก้ไขและจะทำอย่างไรรู้ทางด้วยจะทำอะไรก่อนอะไรหลังและอะไรที่ตัวเองทำได้ทันทีอะไรน่าจะยังไม่ได้ทำแล้วจะเกิดผลอะไรแค่ไหนบางคนเนี่ยสามารถจะบอกตัวเองได้อธิบายให้ตัวเองได้ในทันทีหรือคบาอาจารย์บางคนก็บอกเราได้ทันทีแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะถ้าคนปฏิบัติแล้วมันบอกได้มันอยู่ที่ว่าเราหยอดคาถามไปยังไง มันก็จะออเราเราติดตรงนี้เราต้องทําตรงนี้ก่อนบางทีไม่ถามยังมีอะไรมาบอกเราเลยจริงไหมจริงยังมีอะไรมาบอกเราเลยว่าอ๋อมีต้องไปแก้ตรงนี้ก่อนต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก่อน <S <S <ม>นี่เป็นเรื่องของของอะไรอะไรที่มันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นบารมีก็เลยตกลงท่านแสวงหาที่บวชคือนี่ นี่เราก็จะเห็นว่าในประวัติาราชฐานสมัยก่อนมันเหมือนกับคนเนนี้บางทีนคนจะรู้รู่ทางเบาแสแล้วมันจะต้องหาอะไรอะไรต้องบวชแต่ว่าไปบวชที่ไหนกับใครเนี่ยบางทีบางคนพลาดแค่ไม่ใช่ใชพลาดอยู่เป็นสิบปีก็มีบางคนเนี่ยพ้ดได้เลยเห็นด้วยกับผมไหมเห็น่ใงที่ผมเห็นไหมในตังกมเดี๋ยวนี้ คนที่เข้ามาในในการรับรู้ของผมอย่างพวกเราสังคมพวกเราเนี่ยมีเป็นอย่างที่ประวัติพระหารเป็นจริงๆบางคนเนี่ยโอ้โปหลาดมันเวนกรรมอะไรก็ไม่ได้ขวาะมัดคลัถูกที่เนี่ยเกือบจะเลิกนับถือพระไปแล้วนะเกือบจะเลิกนับถือศาสนาไปแล้วเกือบจะเปลี่ยนศาสนาไปแล้วดูว่ามาเจอกัลยาณมิตร เลยเดี๋ยวนี้มัน่นคงเปิดบ้านแนะนําเพื่อนผู้พาเพื่อนฝูงเข้าวัดเป็นนักกรรมฐานกันไปเลยก็แสดงว่าก็ยังมีบุญช่วยทีนี้องค์นี้ท่านบุญดีครับไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเหมือนอย่างพระเทวีระอีกหลายองค์นะบางคนมาบวชเป็นพระแล้วยังอุตสาห์ส่งออก์ไปถือลิกเข้าลิขเข้าลินี่นมนนไม่ต้องพระพุทธเจ้าบริวารอะไรถึงกลับมา พลาดโอกาสทองไปยังหน้าเบียได้แต่องค์นี้บุญดีอย่างที่ว่าก็มาบวชพอมาบวชแล้วเนี่ยท่านรู้ว่าตัวท่านเองเป็นคนราคาจะจรท่านถือวัดอันหนึ่งเป็นผู้ดงข้อหนึ่งนะสอดคล้องกับคนราคาะเจริญผู้ดงข้อนี้คือเขาเรียกว่าเป็นลูเขาวัดเป็นวัดอันหนึ่งลูเขาวัดเนี่ยหมายถึงความประพฤติเศร้าหมอง แต่คําว่าเศร้าหมองนี่เดี๋ยวจะไปตีความหมายคือดวงวลฒธรรมใจเป็นคนเศร้าหมองมองโลกในแง่ร้ายฟังเทศก็ฟังอย่างหม่นหมองเบื่อเพิ่มความเบื่อความละห้อยละเหียนั่นไม่ใช่เั้นนะเศร้าหมองหมายถึงเศร้าหมองในทางวัตถุเครื่องใช้อย่าไปใช้ทีวรใหม่อย่าไปใช้เสนาะนะใหม่ๆอะไรที่ เจนโยยังมาขอทาสีบอกอยาผู้นี้ต้องตร็นปลาประเภทแอนติกเข้าสํานักสงประเภทสํานักแอนติกนะะต้องอะไรที่ไปลักษณะสางหมองแต่มันคนละเลระเื่องกับเราปลกนะอยาไปตรงกับเราปลงที่เราเรียกว่าภาษาดีนี่เราพอจะเรียกว่าสมัทธแต่มันก็ไม่ถึงขั้นเราหมองนะสมัทธานี่ไม่ใช่ว่าคือถ้าอย่างี้ไปเสื้อมอฮอมแต่ว่าตัดด้วยผ้าไหม่ลูขาวปะไม่ใช่รูกะ อันนี้ไม่มีใครทำหรอกผมไม่ได้มีเจตนากันแนะการแหนไกคด้วยยกตัวอย่างที่นายฟังคนที่มีตัณหาจริตเนี่ยหนึ่งมันจะไปเกิดความรื่นลมกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เคยเคยสะกิดบอกกับคนบางคนถึงคนบางคนแต่เจ้าตัวยังไม่ได้เคยคุยกันแต่คุยได้คนบางคนเนี่ยเคยจเจริญในธรรมมาอย่างสูงมากธรรมะปฏิบัติเนี่ยนะแต่สุดท้ายมันมักลับตาลปัดผมบอกเลยว่าบอกในบอกไม่ใช่เรามีอะไรพิเศษอะ บอกตามหลักเลยว่าคนคนนี้นะไม่ควบคุมรติสัญญาราติสัญญาหมายถึงความรู้สึกรื่นลมสนุกกับโลกไม่ควบคุมพอไม่ควบคุมเนี่ยไอลาคาจลีอะไรที่ตัวเองํอ า, างสมมามันก็แตกแต่ก็เลยกลายเป็นว่าไอคนที่เคยเรียกว่าอ้อนบัวเป็นพระในมีอะไรพิเศษอัศจรรย์ ถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรมันแตกดาวแค่แตกได้เนี่ยมันก็อธิบายได้แล้วแต่ไอพฤติกรรมบางทีมันยังเปลี่ยนเกินเลยไปแต่ไม่ถึงกัเชื่อ้ายอะไรแต่ว่ามันไม่สพอเหมาพอดีสอดคล้องกับความที่มันควรจะเป็นกับภูมิหลังของเขาเอายกตัวอย่างว่าคนที่เคยนั่งทางไหนได้ศึกออกมาแล้วมากินเหล้าอย่างมันแหมมันเกินไปนะไม่บวชเจ็ดวันนี่ให้บวชเจดวันก็ ไม่ค่อยแปลกหรอกแต่ใจอย่างนี้เราก็ไม่ว่าเพราะเรารู้ว่าเหตุบัดใจเราไปทําอะไรที่ไม่น่าจะทำเราไปเป็นโยมือหวยเดินหวยได้ดีมันก็ค่อนข้างจะเกินไปอีกนะเมื่อท่านมาถือลูขวัตท่านถืออย่างไรนี่เป็นข้อที่จะยืนยันที่เล่าไว้ชัดเจนในตัวตาําราคือถือบางสกุลจีวรอันหนึงน่งบังสกุลจีวรเนี่ยมันลูกขวัตตั้งแต่วันหนึ่ง ของห่อศพเนี่ยให้ใหม่ยังไงมันก็มันไม่ใช่ของหน้าลื่นลมใช่ไหมใครก้เาเสื้อแล้วตรงนี้ยังใหม่เอี่ยมเลยคนตายเพิ่งใส่ครั้งเดียวรองเท้าก็ได้เราก็ชักตะหยองแล้วให้ราคาแพงไงแล้วก็ไม่แหนมใส่ไม่ใช่จะลงแล้วครับนี่คือลักษณะความสมองแล้วก็อันหนึ่งอย่างสมัยก่อนเนี่ยผ้าห่อศพเนี่ยที่ลตากไปชักในประชาเป็นผ้าเร็วๆใช่ไหม ผ้าเก่าๆเพ่าะอินเดียของของหายยากก็ห่อไปเว้นแต่ว่าไปเจอผ้าหอโสกกำลังไปรวยมันก็อาจจะมีความเศ้าหมองไปพอสมควรแล้วพระก็มาทําให้เศร้าหมองตามวิธีการปักทำจีวรของพระแล้วก็เอามานุ่งห่มในลักษณะที่ไม่ต้องไปยอ้อมไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องอะไรมีเร็วเร้าหมองยิ่งนานยิ่งเศร้าหมองทั้งสีทั้งอะไรต่อะไรแต่ว่าถ้าเป็นเดียวนี้คงแหมยิ่งนานยิ่งขลังเลยอบก็คิดกันไปเรื่องนะ ถรามนมาตดมาคิดในใจในเจออย่างนี้จะเรียกว่าขลังก็ขลังในทางอุดหนุนความเจริญในธรรมนี่เป็นข้อที่หนึ่งและถือบาทดินและบาทดินของท่านเนี่ยท่านเลือกให้ปั้นแบบลักษณะของหม้อที่สับปะเลอเขาใช้ไว้เทน้ำลาดเอาอย่างงี้แล้วกันนะมีมีคนมาพูดผมยังไม่ได้ไปเห็นกระตาเขาบอกว่าไปในบางที่ในบ้านเราเนี่ยครับ ในบางภาคเขาเอากระโถนเนี่ยนะมาใส่บาตรตักข้าวถาวายไปแล้วฉันลงไหมไปอยังเราก็ต้องรู้สึกว่าจะกระชี่ไปนี่ไเอากระโถนมาใส่ข้าวถึงดอกไม้เอี่ยมกระตาเราก็ยังรู้สึกว่าอยู่ระอมจุ่ไม่ถูกเพราะอย่างนี้มันดีสําหรับคนที่ต้องการจะปรงุงต้องการจะใช้เป็เครื่องทำหรือเอ า, เอาบาตรมีลักษณะเหมือนกระโหลกเอากะโหลกมาทำาเป็นบาตรแตอย่างนี้พีนายห้ามนะมันเกินไป โลกก็ต้องหนีอันนี้ก็เกินไปก็ก็ห้ามไปเพราะโลกก็ต้อหนีมันจะกลายเป็นเหมือนไอ้พวกถือขลังพ่อพุหมอผีอย่างนี้สมุนเจ้าห้ามเพราะเหตุนี้แต่ว่าเอาว่าบาตรที่ทำคล้ายๆกับหมอ้อลดน้ําดับไฟในกองเชิงตะกอนอย่างนี้ได้ก็ผันไปก็นึกถึงอะไรไปครับอย่างแบบนี้ ความตายฉันไปนึกถึงความตายไปไอ้ดีนี้ไม่รู้จะทำจะจะทำไอ้เสื่องใช้ไม้สอยอ้เมันก็มีแนวความคิดอะนะผลก็บอกว่าเออทำนาฬิกาแทนที่ไปทำไอ้ลูกไ อ, อ, อ้นกเขาลองอึ้งอ่างมันไม่ก็มาได้แต่สวยก็ทำทรงเมนเผาศพสักทีเข้าจไหมแล้วก็หัวกะโหลกแข่งแข่งไง เอาไว้ดูพรจะเลิศบรณา น, านุสติอะไรก็ยังไม่เคยเห็นนะเนี่ยสําหรับคนที่เหมาะที่จะทำอย่างนี้ถ้าเป็นคนศรัทธาจริตได้ทำสมาธิก็อาจจะทําเป็นรูปสังสารวัตรูรปปฏิจารูปออไนการกร ม, มเป็นป ร, ริวัติสามอาการที่สองในอริ 4, อยสัจสี่อะไรเงี้ยก็ได้ยังงี้ก็ดีไปอย่างหรือถ้าจะเป็นพวกนักวิปัสสนาก็ทําอะไรที่มันสติปัฏฐานสี่ มีไอ้ขอยละเอียดนาฬิกาไปถึงไหนถึงไหนได้เตืนไงแล้วแต่ว่าใครจะถนัดทางไหนก็เป็นอนวานนี้ก็เป็นอุบายที่ท่านรู้สึกของท่านขึ้นมาเองแล้วท่านเลือกปฏิบัติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกุฏิที่ท่านอยู่ท่านเอาใบใบาตานแค่สามใบเนี่ยครับมามุงเป็นลักษณะกระจก แล้วก็เข้าไปนอนในกุฏินั้นเออเราก็ไม่รู้ว่าใบตานสามใบเนี่ยมันมีกติอะไรในเรื่องลูกขา บ, บ้างนะฮะนี่ไม่ทราบก็เลยไม่สามารถจะให้การสังเกตเพิ่มเติมตรงนี้ได้สำหรับอินเดียนะแต่ว่าเราเวลามองเนี่ยเราฟังโบราณเล่าว่าเปลดเปลดเปลดิเปลดเเห็นใบตานแ่งนกอดนึกถึเปลไม่ได้ใช่ไหมนึกถึงเปลดอโอ คือไอเด็กๆก็บอกตีพ่อดีแม่แม่พ่อแม่เลยบอกว่าเราก็เอาจริงเลยตีพ่อที่แม่มือจะใบลานเท้าจะใบลานพอไปเห็นใบลานไอใบอนี่ทีไรนึกถึงเปิดทุกทีเห็นเป็นจริงมันติกความรู้สึกมันโตแนะนําก็เป็นเรื่องของเหล่านี้พระที่ท่านมีดุพินิตเนี่ยท่านมีอแง่มีความคิดมีกูสโลบายที่จะใช้กับตัวท่านเองด้งงงดวยตัวท่านเองแล้วก็ ปกติขอนท่านจนะอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาทิฐานไม่พูดกับใครมีแสดงอนนันหนึ่งว่าคนที่มีลักษณะเจ้าชู้ถึงขนาดไปล่วงเกินลูกเมียคนอื่นเขาได้เกี่ยวกับเจ้าชู้แล้วประสบความสำเร็จแต่ของเราไม่ได้ประสบความล้มเหลวต้องเป็นคนมีลักษณะพิเศษทางวาจา นะคือที่บลของเราบอกว่าอะไรนะฮะคาลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองอะไรทั้งนองเนี้คงจะจริงครับมะ้ี่ถ้าทั้งรูปหลอด้วยทั้งคาลมด้วยก็ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นนี่พูดดีว่าในเมือง่ายเราพระตูดงบางองค์เนี่ยท่านจะไม่พูดเลยเพราะว่าขอถ้าเราใช้เป็นภาษาไทยคือเป็นคนที่พูดแล้วมีเรื่องสเสน่ห์แรงมาก พูดนิดพูดหน่อยก็ไม่ได้เขาเอาไปคิดมากเหมือนผู้ชายบางคนเมงเขายิ้มให้กันคิดมากนี่เขาชอบตัวจอานองนี้ไม่พูดเลยหน้าก็ไม่อยากมองไปแสดงสําแดงเมตตาทางกรรยายกรรมวิญกรรมไม่ได้เลยมันเข้าตัวอ่าท่านก็เลยไม่พูดพูดเท่าที่จำเป็นที่พูดถึงเ อ, อพระในเมืองไทยเราองค์ใดองค์หนึ่งที่มีประวัติเป็นลักษณะอย่างนี้ อ, อท่านไม่พูด อธิษฐานไม่พูดเลยเพื่อจะทํากรรมฐานอย่างเดียวนี่ก็เป็นตัวอย่างกรรมฐานเราเนี้ยเห็นว่าการไม่พูดเป็นเครื่องเสริมกรรมาฐานบางแบบนะบางแบบมันก็เป็นเรื่องพูดแต่พูดก็ต้องหมายถึงจําเป็นไม่จะไปเที่ยวพูดอะไรก็ได้แล้วก็จเจริญสติปัฏฐานไปในขณะด่าเขาก็ได้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่ไปเปิดโอกาสอย่างนั้นแต่เหมือนว่ า, าที่ท่านทําแบบสามัญ ญ, ญาท่านก็จํากัดว่าหมายถึงพูดอะไรไม่พูดอะไร ก็จำกัดเข้ามาแล้วก็ใช้สติใส่เข้าไปควบคุมกับการพูดนั้นที่ไม่ได้ถึงกระห้ามขาดเหมือนอย่างพระ ท, ที่อธิษฐานไม่พูดท่านก็สามารถที่จะอดไม่พูดได้หนึ่งปีที่หนึ่งผ่านไปสำเร็จพอมาถึงปีที่สองเนี่ยเมื่อท่านไปบินธบาทที่บ้านโยมที่โคชรคามเกิดมีโยมหญิงคนหนึ่ง สงสัยว่าพระองค์นี้เนะี่ยเป็นพระใบหรือเปล่าเราดูอาจาระดูความฉันโดมากน้อยของท่านก็ไม่ไม่น่าสงสัยแต่ท่านไม่พูดเลยเป็นใบหรือเปล่าถามท่านก็ไม่ตอบนางก็เลยทําอุบายให้ท่านได้ส่งเสียงพูดออกมาโดยวันหนึ่งเอานมเนี่ยมาใส่บาทท่านถือบาตรใหญ่แค่ไหนไม่รู้บาตรใบนั้น นางก็ทําเป็นคนมือแปรแล้วก็เทแบบบังคับมือไม่ได้เทให้ล้นออกไปนอกบานแล้วก็จะพานเพื่อนดีวอนนั้นด้วยท่านเป็นคนมากน้อยเลยทําให้เขาเรียกกุศลตัดกุศลไงเจตนาเป็นกุศลอันหนึ่งว่าจะไม่พูดกุศลมากน้อยก็เป็นอันหนึ่งมันเข้ามาตัดกันแบบไม่มีกุศลอันหนึ่งมาคุมกุศลสองอย่างนี้มาให้มาเป็นตัวทําลายกันหรือไม่ให้กุศลอนหนึ่งไปกระทบกุศลอีกอันหนึ่ง ก็เลยพลั้งปากออกไปว่าน้องหญิงน้องหญิงพอเถอะพอแล้วโยมก็เลยรู้อ๋อท่านไม่ได้เป็นใบท่านคงถือศีลศีลละอดพูดอะศีลออดพูดเนี่ยเราว่าเหมือนศีลออดกินอ๋ออันนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอกคะต้องการเดียะพิสูจน้องต้องการจะพิสูจน์ลาหลานนะไออย่างนี้ก็ ไม่ถึงก็ไปทําให้พระท่านศีนเสียหายอะไรเป็นวัดของท่านเสียแล้วตัวก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมถ้ารู้ก็คงเก็มไม่ไปดามนี้หรอกอยากแกวิจูดอะพอถึงปีพอพลาดอย่างนี้ท่านก็ จ, จะอธิษฐานใหม่เลยว่าเอาเราพลาดไปแล้วอธิษฐานแล้วพอย่างเข้าปีที่สามท่านก็บรรลุเป็นพระอาราชและยังถือวัดต่างๆเหล่านั้นอยู่ เป็นพระที่ถือลูขวัตตลอดชีวิตนั้นความเป็นลู ข, ข่าของพระภิกษุเนี่ยถือว่าเป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสอันหนึ่งผู้ที่เลื่อมใสเพราะความประพฤติเศ้าหมองเนี่ยเรียกว่าเลื่อมใสเพราะลูข่าลูข่าที่เรียกว่าอะไรมีรูปรปรมมาณิกาโตโกสาปรมมาณิกาและลูขับปรมมาณิกาเป็นเหตุเลื่อมใสอันหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ปานาลามกก็เลยใช้อันนี้มาเป็นเครื่องหลอกให้คนเลื่อมใสได้ อันนี้พูดถึงกรณีของลายอื่นแม้จะเป็นนักบวชนอกาศาสนาก็มีมามากแล้วในสมัยก่อนพุทธเจ้าหรือสมัยพุทธเจ้าเต่อันนี้เมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเออท่านก็เล่าอุปกรรมเออ ก, ก็แปลอีกว่าบุปกรรมท่านเกิดจะมาคล้ายๆกับไอ้บทพิสูจน์และที่ท่านพลังไอ้ความพลั้งของท่านเนี่ยก็เลยอคนที่มีความรับผิดชอบสูงเนี่ยบางทีไอ้ข้อผิดพลาดเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องกระตุน้น จรไม่จรกลายเป็นเครื่องกระตรุ้นคนให้ได้รับความสาเร็จได้เหมือนกันนะแม้แต่เรื่องอย่างกรณีท่านเออท่านก็ปล่าดไปก็เลยกลายมา็นเคื่องกระทุน้นเลยกลายเป็นว่าไอการที่ท่านต้องพลั้งปากพูดเสียวัดข้อนี้ไปเพราะการได้รับการถวายน้ํำนมเนี่ยมันเป็นการให้กุศลวิบากในทางวัตถุกรรมแต่ทําให้ท่านเสียจริยธรรม อันนั้นของท่านท่านได้ทำอะไรไว้ดูปรกรรมท่านเล่าเอาไว้เลยว่าในสมัยพระปัตตมุตระเมื่อท่านปราถนาครั้งแรกเนี่ยท่านได้ถวายน้ำปานนะแก่พระภิกษุซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเลยเป็นคน<ม>ที่ไม่อดน้ำเป็นคนมีโชคทางนี้นะ นี่ขนาดไปรับน้ำนํำนมก็ไอ้โชคเนี่ยมีว่า จ, จะมาได้รับรูปลักษณะต่างๆกันนะถึงบอกว่าไอ้โชคคราบบางอย่างนี่มันมาแล้วมันก็กระเทือนจริยธรรมเราก็ต้องคอยระวังและไอ้จริยธรรมที่กระเทือนแล้วคนระวังดีก็แปลชั่วให้เป็นเครื่องอุดหนุนความดีได้เหมือนกันนั้นไอ้เวลาร่าเราเนี่ยไม่ใช่เราไปที่ไปจ้องหาให้ใหจริยธรรมเสียแล้วจะได้หาโอกาสในงั้นไม่ได้นะ เราก็ต้องระวังเออนี่เราอย่านะอย่ารับนระับแล้วจะเดธรรำเสียนะถ้าบางเออมาเกิดไปพลัง้งรับโดยเหตดได้แล้วเสียเราก็ต้องบริหารใกุศลธรรมให้ได้ประโยชน์จากกิยธรรมที่พลาดไปให้ได้ทีนี้ก็มาพูดถึงอีกองค์หนึ่งองค์นี้เป็นองที่หนึ่งร้อยยี่ติบห้ามีชื่อว่าคินนะ ตรงนี้นะดูชื่อเหมือนเหนคิดเอาง่ายๆก็ดูประหลาดดีชินาะแปลว่าอะไรใช่ไนะอย่างเช่นชื่อรูจ้าคือพระชินสีผู้ชนะดีศาสดาของนิกายเชนหรือนิกายศาสนาเชนเรียกว่าชินมหาวิระแปลว่าชนะเหมือนกันและเป็นชื่อของปลาลานด้วยใช่ไนะทีนี้เติมอ่านเข้าไปเนี่ยมันควรจะแปลผู้ไม่ชชนะ <c oughs> ไหมไม่ใช่ เอิมอ่เข้าไปแล้วกลายเป็นชื่อของหนังเสือไปที่มาที่ไปไม่ได้เป็นชื่อของหนังเสือนั้นหนังเสือเนี่ยเรียกว่าอาชินนะคือหนังเสือแล้วทำไมถึงมาเป็นชื่อท่านเพราะว่าท่านคลอดบนหนังเสือฟังให้ดีนะหนังเสือไม่ใช่หลังเสือ คลอดบนหลังเสือก็ไม่มีสิทธิ์จะได้เป็นล่าล้านหรอกบนเามาบนหนังเสือก็อมาปูน้านองพลมนะอก็เลยกลายมาเป็นชื่อท่านเอามาเป็นนิมิตอย่างคนไทยเรามีนี่เคยคลอด บ, บนบนบ น, บนแฝกยังเรียกในแฝกเลยผมนึกว่าคมแฝกไม่ยา้ายว่าปลกแฝกมุงหลังคาปวแฝกปูนนอนปูอะไรได้นี่แหละเลยเรียกในแฝกอา่า สกุลที่ท่านเกิดเนี่ยก็เป็นสกุพลพรามแต่พรามยากจนชาวเมืองสาวัตถีเป็นรามยากจนครับแล้วท่านก็บอกเลยว่าเพราะว่ า, าบุญทางนี้มไม่ได้สั่งสมไว้ให้ร่ำรวยคือคนที่เกิดมาจนมันมีมหนึ่งคนที่ตลอดระยะเวลาทำทานมาน้อยว่าเกิดกี่ชาติเยอยก็มักจะจนเสมอนะ แต่ว่าบางคนเนี่ยทําบ้างไม่ทำบ้างทําบ้งาบงโกงเข้าบ้างอะไรอย่างนี้นะเวลามาเกิดชาติใหม่มันแล้วแต่ว่ากรรมคดีไหนมาให้ผลในชาตินะก็จะมีชะตาชีวิตเป็นอย่างกรรมที่ส่งผลมาในจังหวะนั้นหรือในชาตินะ น, นั่นคนก็คนประเภทนี้ก็บางชาติก็รวยกลับตละลัปัดบางชาติก็จนกลับตะปัดหรือแม้แต่ชาติเดียวมางทีก็กลับไปกลับมาเหมือนอย่างกระโก แต่ว่าองค์นี้นะ่ะพูดง่ายว่าทานบารมีน้อยเกิดมาก็เลยมีป ก, กติจนที่ก็เป็นตัวอย่างว่าคนที่มีบารมีที่จะเป็นพระอระหันเนี่ยแล้วก็สร้างบารมีประกอบส่วนอื่นไม่สมบูรณ์ก็เป็นอรหันที่มีชีวิตที่เรียกว่าไม่ได้โรยด้วยอดอกดอกกุหลาบเหมือนกับอย่างหลายๆคนนะ อย่างเข็นพระยศเนี้ยลอยด้วยดอกกุหลาบแล้วบางคนเนี่ยก็ทั้งมาบวชแล้วเงินทองมีอุตสาห์ตามเข้ามาถึงมุติมีเหมือนกันที่ทั้งท่านกลัวเดี๋ยวจะมีองค์นะอาจาจะเล่าให้ฟังแล้วท่านได้กล่าวคาถา้ข้อความที่ผมว่านี้ไว้ด้วยอันนี้เอาละเมื่อท่านได้เจริญเติบโตขึ้นมาแลก็ชีวิตก็ค่อยๆจากฝืดเครื่องฝนะืดเครื่องเรื่องอาหารเรื่องน้ําเรื่องท่าอย่างนี้นะปัจจัยขั้นพื้นฐานแล้วก็ เทที่มาบวชเนี่ยเพราะว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อคราวเสด็จไปรับพระเชตวันมหาวิหารอย่างที่เราได้เคยพูดถึงกันนะเราก็ได้บวชและเมื่อได้บวชแล้วก็มีบารมีที่จะเจริญในธรรมได้เป็นรอรหันต์ไม่นานนะครับแล้วก็เป็นอรหันต์ชนิดที่ได้อภิญญาหกด้วยเป็นอรหันต์ชั้นดีบางคนในอย่างท่านจักรคูบาลเนี่ยก็เป็นลูกของคนมีเงินแต่เวลาเป็นอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์ชั้นสูง คือเป็นแค่สุขาวิปัสสนเพราะนั้นอ mm hmm. คนรวยก็รวยอรวยเงินด้วยแล้วรวยจริยธรรมด้วยก็มีคนบางคนรวยเงินแต่ว่าจนจริยธรรมก็มีคนบางคนจนทั้งสองอย่างก็มีได้อย่างาจนอย่างรวยอย่างก็มีเมื่อไหรเมื่อไรก็เหมือนกันเพราะเหตุพราปัจจัยอย่างว่ามาคราวนี้เมื่อบรรลุแล้วเนี่ยท่านก็ยังบอกต่อไปอีกว่าแม้เป็นพระอาหารหันต์แล้ว ก็ยังมีลาบน้อยและชื่อเสียงไม่ปรากฏคืออันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกดีว่าคนบางคนไม่มีก็เลยมีลาบสักการละและชื่อเสียงแต่บางคนไม่มีลาบแต่ไม่ ไ, มได้ชื่อเสียงบางคนได้ชื่อเสียงแต่ว่าลาบน้อยอย่างงี้นะบางคนได้ทั้งสอบางคนแย่ทั้งสองอย่างเลยเป็นนรหันและยังลาบและชื่อเสียงน้อย ทในคติทางลาบในราบราบและชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นตัวทําลายคุณธรรมคนที่ยังไม่ได้เป็นอารานเป็นตัวกัดขวางในทคำนนั้นแต่ว่าถ้ามันน้อยจนกระทังไม่ไม่ได้ลาบกระทั่งได้ในทาเป็นเครื่องอนุเคราะห์พระอาจารย์เอ้วยี่ก็แย่ไปหน่อยแต่เป็นอารานแล้วน่ะก็แล้วกันเองนงี้ก็อย่างว่าละมีบางเออในพระไตรปิฎกนะพูดเหมือนอย่างที่เราพูดกันเดี๋ยวนี้เลยที่ว่า คนเนี่ยมักจะตื่นเต้นยกย่องนับถือถ้าคนมีชื่อเสียงเราไม่รู้เขาเป็นคนดีคนชั่วไงนะมีชื่อเสียงเนี่ยเราตื่นเต้นมื่อเวลาเออเจอเขาอ่านข่าวเขาเหมือนคนใกล้ชิดเหมือนคนเนี่ยก็กลัวใช่ไหมทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่เรารู้ว่าเออคนนี้เขาเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นชื่อเสียงเนี่ยสร้างอ่าเป็นราคาอันหนึ่งของคนและคนที่ร่ำรวย ก็เป็นราคาอันหนึ่งในความรู้สึกของคนทั่วไปนั่นคนทั่วไปเนี่ยนับถือยกย่องคนที่มีลาบสักกาละและชื่อเสียงคราวนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้คนก็อาจจะรู้สึกหมิ่นหมิ่นโดยเฉพาะพวกหน้าเงินใช่ไหมถูกไหมเขาเรียกหน้าเงินเนี่ยเรียกหน้าชื่อเสียงก็มุกประเวทนี้แล้วมั้งเออเออชื่อเสียงน่ะ อผู้ดูชนโดยทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นตกอยู่ภายใต้ทิพลิ่งเหล่านี้และท่านเขาว่าถึงที่ขู่สามเณรที่บวชเข้ามาในสมัยพุทธกาลที่ยังเป็นวิทยาอยู่ก็มีบางส่วนบางพวกนี้เป็นอย่างนี้ถ้าว่าอคนล่ำคนรวยมีชืสียงมาบวชเขาวงการล่าก็ตื่นเต้นกันหน่อยถ้าหากว่าอคนล่ำคนรวยมาบวชเขาวงการล่าก็ตื่นเต้นกันหน่อยไอ้นี่ก็ธรรมดาเหดูดูดี ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแม้แต่เป็นอ า, าลาหันแล้วยังรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสำคัญมีพูดถึงปุถุชนนะฮะอย่าลืมมันท่านเองท่านก็รู้สึกว่าอี้เป็นอ า, าลาหันแล้วยังมีคนพูดคนแค่คนไม่ได้ใส่ใจคนไม่ได้อะไรไม่ได้ให้ความสําคัญนะนะยางพูดจาอย่างนี้วันหนึ่งเนี่ยท่านได้โอกาสได้ช่องท่านจึงได้กล่าวสุนทรภพกล่าวคาถา กล่าวเนื้อความที่เป็นเครื่องสะเตือนใจให้ปรากฏตรงนี้นะลองฟังหน่อยผมจะอ่านคาถาให้ฟังท่านกล่าวว่าถึงแม้บุคคลจะมีวิชาสามละมัจจุราชแล้วเป็นผู้มีอาสวะหามิได้คนพานทั้งหลายผู้ไม่มีความรู้ก็ย่อมดูหมิ่นบุคคล น, นั้นว่าเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียง ส่วนบุคคลใดในโลกนี้เป็นผู้ได้ข้าวและน้ำถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนชั่วช้าหรืวสามก็เป็นที่สักการะนับถือของคนผ่านทั้งหลายถามว่าแสบไม่ไม่ใช่ด่านี่ว่าแสบคือฟังดูแล้วมันสอดคร่องกันเดี๋ยวนี้เพราะนั้นโลกนี้ก็จะจะสนใจในแง่นั้นแต่ไม่สนใจในเชิงเริยมถึงทำให้เกิดปัญหาทางสังคมปัญหาทางการปกครองอะไรต่างมากมายเลยเจ้าครับ อย่างที่พูดจากันวันนี้ก็ทางาฝ่ายอสุรากายฝ่ายกร่ทรวงยุติธรรมท่านที่ปรดีมาคุยกันวันนี้ท่านก็เปล่อยอันนี้ขึ้นมาว่าโหมันเนี่ยถึงผมเหรอคนไม่ยกย่องคนดีเนี่ยทําลายคนดีเนี่ยโอ้โหมันมันไม่ใช่แค่ไปดูนคนไล่กับตัวเองนะมันหมายถึงไอ้ระบบสังคมความไป็อยู่ของชาติบ้านเมืองเอขยับขยายไปในวงกว้างเลย ถ้าเอากันอย่างชัดๆตามตัวอย่างที่ว่ามันโอ้มันจะกระตือนเึื่อไม่เหมาะจะมาพูดจากันแบบโง่แฉ้งอย่างนี้นั่นคือข้อเท็จจริงที่พูดแล้วก็ไม่พูดได้มันแต่ต้องไม่หัดเท็จแต่ต้องสอบประวัติคนฟังอ่าเพราะนั้นว่าท่านอุนี้ได้กล่าวคาถาให้สะเทือนใจแล้วก็มันเป็นข้อแปลกอันหนึ่งนะว่าบางคนเนี่ยมีพลังที่จะสร้างความนิยมได้โดยไอ้โลกธรรมอิทธิพโลกธรรม แต่คนบางคนเนี่ยสร้างความนิยมได้ด้วยการสัส่แสดงพลังคุณงามความดีในทางนั้นและคนที่เป็นพระอรหันต์เหมือนอย่างเราบอกว่าคนปฏิบัติทำเวลาพูดเลยมันมันมันจับหัวใจจริงไหมจริงพระเราไปฟังดิพระปฏิบัติพูดแล้วเป็นจริงเป็นจังพูดอะไรก็ดูเป็นจริงเป็นจังจับหัวใจหมดเลยเวลอรหันต์นนเวลาท่านจะพูดชุนทีเราโพสพูดอะไรลักษณะอย่างนี้ จับใจคนได้อย่างลึกซึ้งเป็นเราเรียกได้ว่าเป็นพลังนามอันหนึ่งเลยเป็นผลทำให้พระที่ว่าว่าท่านและได้ฟังท่านอยู่ตอนนั้นเนี่ยได้ไปพากันมาขอสมาในสิ่งที่แสดงออกมาแล้วในอดีตทั้งหมดขอได้อโหสิแกพวกกระผมทั้งหลายด้วยคือความจริงท่าก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วล่ะก็ให้อโหสิคือ คนบางคนชั่วบางคนไม่พูดหรือไม่ทําอะไรสักบ้างเนีย่ยบางทีก็ยังไม่รู้สึกยู่ดบนะั้นต้องพูดต้องทําอะไรสักบ้างแต่พูดด้วย อ, อุบายอันเหมาะสมด้วยพลังธรรมเราก็จะมีผลอยู่นี้ก็คล้ายๆแต่ว่าถ้าเราเราพูดแล้วไม่มีพลังอะไรทีพูดแล้วมันกลายเป็นต่อความยาวสาวความยึดต้องดูให้ดีด้วยนะหนี้แนะนําบางคนว่าจะไปพูดอะไรสักคนบางคนเนี่ยเอาละถึงจะไม่ได้มีพลังอะไรมากก็ให้หนำไหวพร้าวดรถมน้ำ ทุกทุกวันเนี่ยนั่งทำสมาธิเช้าหนึ่งชั่วโมงกลางวันหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปพูดอ่ะทา้งวงุแล้วมีโอกาสจะเอาเข้าลงได้อย่าไปพูดตอนใจของเรากําลังกําเริบพูดแล้วมันกลายเป็นตอกเหมือนคนด่ากันแะถึงเราจะไปคัดพุทธพจน์มาอ้างประกอบคําด่าแล้วเขาก็ไม่ฟังใช่ไหมบอกว่านี่คุณรู้ไหมคุณเนี่ยทั่ว ม, มาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วอากพระไตรปิโกข้อนี้หน้านี้น ปูไเลยเลยเลกหน้นสาสศาสนาเราเลยเพราะว่าจิตที่เป็นตัวสื่อเนี่ยมันไม่มีพลังนะฮะก็เลยไม่เกิดไอ้การย่อยสลายไอ้สภาวะธรรมเนี่ยมาสู่จิตกันเขาได้เข้าใจก็ไมไ่หรือเข้าใจได้ก็ไม่เกิดความรู้สึกคล้อยตามได้ถ้าวันนี้นะพูดสัแกแค่นี้ครับทีจริงน่าจะแถมไปถึง5โมงครึ่งรือ6โมงแต่คนพูดทำท่าจะหมดพลังแล้วอาก็วันนี้ เราจบกันธนีแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นวันเสาร์หน้านะฮะลาประมาณไม่เกิน2องมงครึงบายสองมงครึงไม่เกิน เ, <อ>เราแผ่เมตตากันเล็กน้อยนะ<อ>การแผ่เมตตาเนี่ยไม่ใช่เป็นสักแต่ว่าทาเนียมแล้วก็อย่าได้นึกแบบลวกๆขอไปทีขอให้ รับทราบว่ามีผู้ที่มารอรับอะไรจากเราอยู่แล้วก็โปรดได้ทราบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นบุญสูงมันเสริมอะไรอะไรให้กับตัวเราด้วยเราขอให้เราอธิษฐานจิตระลึกถึงบุญที่เราได้